อืม เยอมากเยอะมากก็คงเป็นปีรยียแต่จริงๆการที่เราจะช่วยใครหรือว่าเราจะมีเจตนาดีกับใครต่างๆถ้าเราก็ใจธรรมะละดับ ห, หนึ่งนะเราก็จะไ ม, ไม่ได้มองไปเรื่องทางกายภาพนะทางเรื่องของของร่างกายนะทุกคนเราประกอบด้วยร่างกายแล้วก็จิตใจบาทีกันที่ ใครสักคนจะมีชีวิตยอยู่นานๆแต่ถ้าอยู่ด้วยความความรำล้างกายก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการมันเป็นคนดีจริงหรือเปล่าเนี่ยบางนะทีการที่เราพยายามจะยืดชีวิตนะเพื่อให้อยู่ได้นานที่สุดนะช่วยทุกอย่างให้เรียกว่าร่างกายอยู่กับโรกนี้ให้นานๆนะแต่บางทีก็ทําให้ ทรมานก็ไม่รอ้เป็นการช่วยได้จริงหรือเปล่านะแต่ก็อย่างว่านนะแต่แต่ละบุคคลก็มีปฏิบัติทางสงังคมทางอะไร ต, ต่ตางๆแตกต่างกันก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่ตัวเราเองนะเก็ต้องดูว่าที่จริงการการช่วยภัยเนีบางทีไม่ใช่เื่ช่วยแต่เรื่องร่างกายนะไวจริงคนเราก็มีจิตใจแต่จะมาเองก็ จะอธิษฐานหรือภาวนาก็คือขอให้อย่างเช่นให้พระองค์ท่านเรียกว่าไปอย่างสงบนะ่ะไปอย่างสงบพลังมาที่น้อยที่สุดนะ่ะแล้วก็ไปแบบเรียกว่าไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงกังวลกับกับประเ มาประมาณเจ็ดเจ็ดปีก็ทําเป็นที่แล้วก็ให้ได้ได้ว่าไปอย่างปล่อยวางนะไปแบบไม่ต้องห่วงอะไรเอาบอรไม่ต้องกวนใจเพราะมาว่าอันนี้เป็นการช่วยที่คือที่สําคัญนะนะการช่วยร่างกายให้หายก็คงเป็นไปได้ยากหมอก็คงทําทเป็นที่นั่นแหละถือความสามารถแต่ที่นึ่งหมาว่าเราก็ช่วยให้ทันไปอย่างสงบได้ เพราะว่าที่จริงคนเราก็มีจิตใจเนาะถ้าใจไปแบบสงบก็คือไปในสู่ภพภูมิที่ดีเนะี่ยหรือไปแบบไม่ต้องกลับมาเกิดเลยเนี่ยมันก็ดีที่สุดเลยเนาะมันเป็นการช่วยเราได้นะแต่ตมาเองมีสบการณ์ซึ่งเราก็ทําให้เราสนใจเรื่องเนี้ยเรื่องการช่วยผูย้ป่วยในระยะสุดท้ายช่วยผูย้ป่วยเรื้อรังเคยไปตอนที่ยายไปใกล้เ็เสีย่ยนะ ยายจะมาก็ประมาณ91ะนะ90ปีที่จะเสียก็เป็นมะเร็งครับแต่ก็แก่แล้วก็เลยไม่ต้องไปรักษาคือไม่รักเท่งที่จะไม่ไปรักษาเพราะว่าอายุเยอะลยแล้วก็เลยวันที่จะเสียโยมแม่ก็เลยโทรไปหาตอนนั้นอยู่ที่วัดสุ ก, กัสโตแต่ก็มีงานต้องไปรับพ้ะป่าที่กู้ลงแต่จากกู้ลงก็ต้องรีบลงมาที่บ้าน ก็เห็นยายนอนแบบหายใจแบบแรงเนาะหายใจแบบตัวโยนเลยนะเราคิดถึงสภาพคนแก่นะก้าวติดเอ็ดแล้วหายใจแรงเราดูก็นนอกท่านทรมานมากมันก็เลยชวนเกอนญาติที่อยู่ตรงนั้นนะก็มีญาติายคนที่ไปตงยายก็ะชวนสปวดมนต์อิติปิโสร้อยแปดจบนะถือเพื่อให้บรรยากาศมัน มันเื้ในการที่ยายจะไปสงบตากายจะได้ไม่มีอะไรทําด้วยจะได้ไม่มีตบขึ้วบนไม่โวยวายไม่รอ้องไหยมากก็เกิดกาตม น, มนตรวจมวลอิติปิโสร้อยแปดจบพอตรวดเสร็จนะ่ะยายก็ดื่มตาที่ทางที่ไม่ได้ดื่มตามาหลายจะ่มงครับดื่ตาซึ่งพี่มาก็เลยพูดกับยายนะแต่พูดเป็นภาษาอีสานบ้างยายถ้า ถ้าหายใจแบบเหนื่อยนะก็ไม่ต้องพยายามหายใจก็ได้เราเห็นก็ใหพยายามหายใจน่ไงถ้าหายใจเหนื่อยก็ไม่ต้องพยายามหายใจก็ได้อนะืให้ดูร่างกายเรานะี่เหมือนกับเหมือนกับต้นไม้นะ่ะมันแก่แพลามันก็มีการผลูกในการพังเนาะเป็นธรรมดาเนาะก็ไม่ต้องปส่ใครก็ให้ยอมรับ ธรรมชาติของร่างกายหน่อยมาพูดไม่งานน่ะประมาณสักนาทีนึงพอหลังจากนั้นนะยายก็ไม่หายใจแรงละหายใจแบบแผ่วแล้วก็หมดลมหายใจไปลังจากที่ดืมตามาดูโมเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่ฟังอาจามาพูดเราก็เห็นประโยชน์ของการเหมือนเตือนสตินะ่ะในจิตสุดท้าย เราก็ไม่รู้หรอกว่าย ห, ห่วงหรือว่าอะไรหรือเปล่าในตอนนั้นแต่เห็นท่าที่เช่นการหายใจนแรงๆเรือาการเราก็รู้สึกว่าท่านเหนือ่อไหร่พอพูดบอกว่าไม่ต้องพยายามหายใจก็ได้เขาก็วางลรหายใจวางลมหายใจแล้วก็ไปไปแบบสมงบได้หมายว่ามันก็เป็นการช่วยแบบนี่ยแม้เราไม่สามารถจะช่วยช่วยชีวิต เขาได้นะแต่เราก็ช่วยให้เขาปล่อยวางปล่อยวางหว่วปล่อยวางสิ่งที่ที่เป็นกังวลได้นีมันก็เป็นการการช่วยที่สำคัญนะก็ก็ปากเราเรานอ ก, กือกหลายคนที่มีโอกาสนะ ด, ดูแลพ่อแม่หรือว่าญาตนะิในช่วงวัละสุดท้ายนะ บางทีเราช่วยขายไม่ได้แต่เราก็ยังช่วยเรื่องจิตใจได้นะถึงทีเราช่วยเราก็สามารถช่วยไปได้มากกว่านั้นคือช่วยคนรอบข้ามของเรานะคนที่ไปดูแลคนป่วยกับเรานะเนราก็ทำไม่ช่วยได้โดยอาศัยธรรมะที่เราฝึกนี่แหละถ้าเรามีหลักในการภาวนามีหลักในการวางใจนะถึงกัภาวะแบบ น, นั้นนะมันจะ มันมันจะบอกเราเองนะเอย่างตมาเองนะอยู่กับพระอาจารย์ที่สามท่านอบรมเรื่องเจริญความายอย่างสมบูมาหลายปีนะไม่เคยไปเข้ากับอาจารย์นะไม่เคยไม่เคยไปเข้าคอร์สอะไรนะกับอาจารย์แต่พอเช่นตอนตอ น, ตอนยายจะเสียนะมันก็คิดคนมันเองนะคิดว่าเออต้องชวนผลสรวจนมล น, นะฮะอ่ บางส่วนญาติน้องสรวจเนหรือพอถึงจังหวะสรวจมงินเสร็จมันก็คิดมันเองว่าต้องพูดแบบไหนอะันก็มันก็บอกของมันเองนะเออแล้มันก็เห็นผลของมันเออเราก็รู้สึกว่าเออการภาวนานี่มันมันช่วยมันช่วยได้เยอะมันมันทํำให้เราเห็นนะเห็นตัวเองแล้วก็เห็นบรรยากาศรอบๆแล้วก็รู้ว่าเราต้องเกี่ยวข้องแบบไหนแบบนี้นะ อย่ไม่ไดตอนหมวงข้อเสียก็เหมือนกันนะตอนที่หลองก็อเสียก็อยู่เป็นอีพระสี่รูปแล้วก็มีโยมคนสองค น, นก็พยายามทำหน้าที่นะช่วยหลงพ่อคิดว่าจะแห้งกลับมาได้ไมาถึงว่าอาการที่หายใจไม่ค่อยสะดวกนะนิว่ามันจะทำให้ก้อนมันลดลงได้ด้วยการฉีดยาอะไรต่างๆหลายอยา่างแต่พอ คือเราไม่ได้คาดว่าหลวกพ่จะเสียเร็วขนาดนั้นเมื่อถึงในขณะที่ช่วยนึกว่ายังมีเวลาที่จะช่วยได้มากกว่านั้นดอยางออกเลยแต่พอถึงข้อจังหวะที่เห็นที่ฟังหัวใจเต้นะเอาเครื่องฟังมหมดปังหัวใจหัวใจไี่เต้นแล้วคือใจมันก็แค่รู้สึกว่าหลวกพ่ไม่หายใจแล้วล่ะมันคือก็ไม่ได้อะไรแต่มันมแค่ แค่พูดในแจ้ไม่หายใจแล้วมก็บอกพอพอฟังว่าหลวงพ่ไม่หายใจแล้วก็บอกเพื่องนั้นหลวงพ่ไม่หายใจแล้ว <c oughs> ก็มันก็แค่นั้นนะมันก็แค่นั้นไม่ไม่โบยวายไ ม, ồi, ไม่ไม่ข่มขู่อะไรมากก็เออไม่หายใจก็ไม่หายใจอ <c oughs> ยังยังมีพระที่อยู่ด้วยกันวางรูท่านบางจีท่านาานหนึ่งจอออกซิเจนอย่างนะ ก็บอกว่าหลวงพ่อไม่เห็นใจแล้วแต่ลองลูปไวยังหวังปฏิหานนะจ่อไว้คอยเผื่อลองก็จะกลับมาอนะรประมาณนี้แต่เราก็บอก <c oughs> ท่านขึ้นไปแล้วไม่ต้องหับกันแต่ท่านก็ยังห่วงนะก็เขอจ่อไว้มันก็ไม่เป็นไรไม่สบายใจนะท่านก็จอ่อไว้สักพันมานร่วมนาทีหนึ่งนาทีสอนาทีหพ่อไม่กลับมาก็ก็ปล่อยไปที่มันก็ คือเราก็ขู่คันเติงข้อเย้ยนะแต่มันก็พอเวลาไป ก, <อ>ก็ก็ยอมรับได้นะ่ะก็ยอมรับก็้อือแม้ตอนนั้นไม่ว่าไม่ได้ไม่เหมือนอาจารย์กนพลอาจารย์คนไม่ค่อยค่อยๆลงมาจะรู้แนวต้องไปแน่แต่ตอนหลวงพ่ออื่นนั้นก็ไม่มีใครคาดว่าท่านจะไปหรือตอนที่เราช่วยก็มีคิดว่าท่านจะไปเร็วขนาด น, นั้น่ะ มันเหมือนไม่ได้เตรียมไม่ได้คิดว่าจะไปเร็วๆแบบนั้นแต่พอตอนที่ไปจริงๆมันก็สติมันก็เตือนเรานะให้เราให้เราวางใจได้นะให้เราวางใจได้หรือบ mm hmm. างทีแม็กกลับมานะ่าจะมีความสึงอีกนิดนึงเช่นเราเอาศพหลวงพ่อเนาะไปไว้ที่วัดสุพรอง พอตอนค่ำ น, นะมันก็กลับมาจำวัดอนะมานอนที่กุฏิคนเดียวกุฏิเคยอยู่กับหลวงพ่อนะก็มานอนเตียงเลย ม, มาถึงตอนแรกบรรยากาศนะมันก็มืดมื่อนเะตียงว่างเปล่าไม่มีหลงพ่อแล้วไม่มีคนยอยูอ่รอบรบกุฏินะของตึกมันก็มีนะแบบเหมือนเงียบประหลัดนะ <c oughs> ไม่คุ้นเคยนิดหนึ่ง แต่มันก็แวะจิตนะพอจิตมันคิดขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยมันมันก็กลับกลับมาเองนะไม่ได้กลัวจะเห็ี่ยนแต่ว่ามันเป็นอาการเหมือนมันรู้สึกมันเกิดความรู้สึกของมันเองวพอเรารู้สึกคุ้นเคยกับตรงนั้นบรรยากาศตรงนั้นเป็นแบบนั้นพอเรากลับมาบรรยากาศมันไม่เหมือนเดิมแต่ก็แค่รู้สึกว่าภาวะินใจมันมันมีอะไรที่มันแตกต่างจากความปกตินี้หน่อ พอเราเห็นมันกุอบอารมณ์มันก็มันก็หายไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันก็คือสติมันก็เป็นตัวตัวช่วยเราได้มากๆเลยเวลาเราเราได้ทราบข่าวเนาะใครใครเสีชีวิตเนาะหรือว่าใครใกล้จะเสียชีวิตนะสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ประโยชน์คือเราจะได้เห็นว่า สภาวะจิตใจของเราเป็นแบบไหนโดยเฉพาะคนใกล้ตัวของเราจิตใจของเราเป็นแบบไหนมันหวันไหวไหมมันกลัวไหมมันวิตกมากหรือามันจะทําให้เราได้เห็นสภาวะตัวนี้ชัดเกจนขึ้นนะสภาวะเหมือนเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนข้อสอบนะข้อสอบในการภาวนาของเราเองอีกส่วนหนึ่งเราก็น้องเนี่ยน้องอย่างที่เราตรวจนะ เมื่อไรที่เราถูกเทพทูตทั้งหลายจับเอือนแล้วนะเราก็มาจือรู้เปล่าหรือไม่ต้องมานี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมาต้องปวดนะว่าจือได้ึกจีริกมันผ่านมาเร็วนะอันรษานี้ก็ไม่เร็วบวดนี่ก็รู้สึกมันเร็วแต่จีริกเรารู้สึกมันเร็วมากนะมันแต่มาก็ไม่เค่รู้สึกว่ามันเร็วแต่เฉพาะเวลาที่มันผ่าน มาวเวลาแต่วันนี้จนถึงวันสุดท้ายของเรามันก็อาจจะเร็วเหมือนกันคิดไม่ไม่คิดว่ามันจะนานนะคิดว่ามันมันมันอาจจะไม่นานนั้นเราประมาณไม่ได้ในชีวิตอย่างแี่ครัเราไม่รู้เราจะมีเวลาอยู่กันโรกนี้นานเท่าไหร่มมันก็ที่ผ่านมาแล้วว่ามันเร็วแล้วนะแต่ที่เหลือเนี่ยอาจจะน้อยกว่าที่ผ่านมาก็ได้ เขาประมาทเขไม่ประม่านะใ น, าในการในการใช้ชีวิตพวกเราเองก็เหมือนกันนะเทมพูดตะเกินไมด้เลยเทมพูดผมเจัดใหมายเตือเราความแก่เทมพูดผมจัดใหม่เตือนนะผมขาวตีมกาขึ้นผิวหนังเหี่ยวยาเนยะมันสมร่างกายอ่อนแอลงจัดใหมายเตือนแต่เทมพูความเจ็บไข้ไม่ป่วย บางไม่สบายนะจะจดหมายเตือนจากเทวถุดานะบางครั้งเราเสียดตายนะยังมาก็เลยเสียดตายหลายคนก็เฉียเลยเสียดตายนะี่คือจดหมายเตือนชั้นดีเลยนะ <c ười> คือก่อนตายเราก็ไม่เคยเห็นความสําคัญของมายถึงว่าเราก็ไม่รู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่มันมันจะดีอะไรมากนะแต่พอเสียดตายแล้วมันรู้สึกเออ โชคดีที่ยังไม่ตายโชคดีที่ยังไม่ตายมันก็ขอบคุณนะที่โชคดีที่ยังไม่ตายเวลาดังากที่เรายังไม่ตายเลยได้ทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตเรา อ, อ, อีกเยอะมากมาว่าก็เนี่ยสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตเรามันก็มีหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเรื่องธรรมะนี่แหละนะ เราต้องศึกษาธรรมะเราต้องเอาธรรมะไปอยู่ในชีวิตของเราให้มากที่สุดนะเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะตายนะเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะเจอกับความทุกข์่าป่วเสียจากคนรักจากของรักนะเราไม่รู้ว่าไหนเราจะป่วยแต่เรารู้แต่ว่าเราสามารถมีธรรมะอยู่ในวันนี้ได้นะมาเชี่ย อ, อย่งัง้นนะแม้เราป่วย แต่ถ้าเราเข้าใจธรรมะนะธรรมะก็อยู่ในชีวิตต่อได้อาศัยยกมือรู้สึกตัวอาศัยลมหายใจรู้สึกตัวหรือบางทีทําอะไรไม่ได้นะยืนมาไปเยี่ยมคนป่วยนะก็ดูท่าทางเขาเหมือนขยับตัวก็ไม่ได้นะใส่ท่อช่วยหายใจหายใจเองก็ไม่ได้เอาพุทโธให้รู้สึกตัวเอาก็ได้ ให้มีเครื่องยึดเหนี่ยวสักอย่างหนึ่งให้พุทโธนะมีสติกอกับพุทโธก็ได้นะแต่ถ้าเราฝึกสติจริงๆนะมันมีคํานึ่งที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อไปเยี่ยมแม่แจ่มคนแม่แจ่มคนก็เป็นคล้ายๆปอดไม่ใช่ดีหลวงพ่อไปเยี่ยมแม่แจ่มคนแล้บอกว่าอย่าเอาทีวิตเราไปฝากไว้กับลมหายใจ อย่าชีริสไปฝากไว้รวมหายใจคืออะไรคืางทีมันหายใจไม่ได้นะมันก็เป็นฟุกกายนี้ก็เป็นฟุกแล้วใจเราที่มันเป็นกังวลมากมันหายใจไม่ได้หายใจไม่ได้มันก็เป็นฟุกอย่าเอาชีริสไปฝากไว้รลมหายใจคำนี้หลองพ่อสอนแม่แต่คนเพราะว่าน้องพ่อก็เคยทําได้ไงตอนปีสี่เก้าที่เดี๋ยวพ่อหายใจไม่ได้ ผมพอก็อกหายใจแล่ไก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องหายใจอ่าคือไม่เอาทีหรือเปิดปากเลยตบลงหายใจหายหายๆหายใจไม่ได้ก็ทิ้งมันนะฮปล่อยมันนะฮพอปล่อยลมหายใจมันหายใจแบบมันก็ดีๆลมหายใจของมาเองนะก็ดีเข้าดีออกเลยนะผมพ่อใช้มาแลบลมกลมกลมเป็่ประสบการณ์ของพ่อที่แบบมันเวลาเราอะไรนะให้มันดันแลบนะมันเล็กๆลงไป พอแหลมลมเข้าแหลมันออกคือบางทีก็อาศัยเทคนิคช่วยนิดนึงแต่ที่จริงการวางใจคืออย่าเอาชีวิตเราไปฝากไว้กับลมหายใจนะตอนเราจะตายจริงนะให้ระลึกถึงพันธนี้ให้ได้นะตอนที่มันหายใจไม่เข้าหรือหายใจไม่ออกนะอย่าเอาชีวิตเราไปฝากไว้กับลมหายใจทั้งหมดปล่อยมันเหมือนมาลึก คิดถึงตอนที่พูดกัยายเหมือนหายใจใช้หายใจไม่ได้ก็ไม่ต้องพยายามหายใจก็ได้เพราะปล่อยมันวางวางก็ไปเยงสงบได้มาว่าบางคนก็ไปก็ไปสงบเลยบางคนพอไม่พยายามแตหายใจกับฟื้นก็มีนะ <c oughs> พอมันเป็นธรรมชาติแหละมันก็ไปของมันเองมันก็อาจใจฟื้นก็มีอันนี้สิทธิ์ที่จะจริงไหม ชีวิตจริงๆมันไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นสิ่งจริแค่เรายืมมาใช้เราอาศัยแค่นนะั้นเราอาศัยร่างกายนะเพื่อทำความดีอาศัยร่างกายเพื่อทำความเพียดแต่ร่างกายต้องแยกทั้งชีวิตนะชีวิตที่แท้จริงคือจิตใจจิตใจเนี่ยสำคัญที่สุดนะจิตใจเนี่ยแหละมันจะพาไป ไปพบภูมไหนมันก็เรื่จิตใจจะซึ่งกวัดจะลงนรกลงลงลงจะไปนิพพานก็เรื่องจิตใจเท่านั้นเอะ น, นะไม่ใช่เรื่องร่างกายเหมือนร่างกายเราบางทอีอยู่ในห้องแอร์ย็นสบายแต่เวลาเราโกรธเนี่ยใจมันร้อนเป็ันตกนรกนะนะนะใช่ไหมบางคนร่างกายพิการบางคนร่างกายกล่วยบางคนยากจนแต่พอใจมีความสุขเนะี่ย มันเหมือนขึ้นสวรรค์น ะ, อะนอนป่วยก็เหมือนขึ้นสวรรค์เยอะร่ะางกายยืนในบ้านยากจนแต่ต้องมีความสุขในครอบครัวก็เหมือนขึ้นสวรรค์ใจจริงๆเนี่ยมันจะพาเราไปไหนใจมันไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้สำคัญจริงๆคือเรื่องของใจภาวนานะเพราะว่าภาวนาจริงๆคือพัฒนา พัฒนาอะไรพัฒนาใจภานะวนาจีตแต่ว่าพัฒนาใจถ้าเราเข้าใจคำว่าพัฒนาใจเนะี่ยพัฒนาจิตใจนะทําอะไรทุกอย่างก็คือพัฒนาใจตรงนั้นกุศลศาสน า, าที่สอนแนะนําหลายๆวิธีก็คือจุดสําคัญคือเพื่อการพัฒนาใจการทาทานเะนี่ยทาทานเพื่อพัฒนาใจแบบไหนก็คือสลักวาตีทีเหนียว รู้จักการให้เขารู้จักการให้ใจมันพัฒนาใจมีเมตตาใจมันเบาขึ้นเพราะว่าไม่โลกหรือโลกน้อยลงจึงทำทางเพื่อพัฒนาใจแบบนี้รักษาศีลก็เหมือนกันนะไม่ใช่รักษาเป็นรูปแบบไม่รักษาก็เป็นประเภทนี้แต่รักษาศีลเพื่ออะไรให้เราเข้มแข็งให้เรามั่นคงศีลแปลว่าศีลา นะมาจากธรรมะิลาสิล า, าก็คือก้อนหินนะคือมันหนักมันแน่นมันมั่นคงคนมีสินจริงๆคืออะไรมีโอกาสทําผิดแต่ไม่ทํานี่คือสินจริงนะเ อ, อไม่ใช่แบบชั้นนอนกรวยทันพิการไม่มีแรงจะตบยุงนะี่คือคนมีสินนะอันนั้นไม่ใช่มีสินจริงๆนะเหมือนแบบชาบ้านเวลาคนตายนะมันก้อนโลนับสินนับสินมัา เราก็เคยบอกหลายคนแล้วไม่ต้องบอกเขาหรอกนะเขาไม่ติดสินแล้ว <c ười> คนตายก็ไม่ติดสินนะเขาไม่ฆ่าตัดไม่พูดเท็จไม่กนะินเหล้านะคนตายก็ไม่ติดสินหรอกแต่คนเป็นเนี่ยมันจะติดสินนะสินจริงๆคือมีโอกาสทําแต่ไม่ทำนะเช่นยูมันกัดเนนะี่ยมีโอกาสมีกําลังจะตบ ก, ก็ได้นะ แต่รู้ทันแล้วก็ไม่ตกใช่ไหมมีเงินตกมาไม่รู้ของใครละจะทิ่เขาก็ได้ไม่มีใครเห็นแต่ไม่ทำนที่คือคนมีสติแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่ามีคนเห็นก็เลยไม่ทำใช่ไหมโตขึ้นบรรลุที่ติภาวะแล้วก็าจะกินเหล้าก็ไม่มีใครว่าแต่เราไม่กินเพราะเราย้าใจตัวเองได้ไม่ใช่เพราะว่า มีคนห้ามหรือมีคนมาบังคับให้เราไม่ทำถ้ามีคนบังคับแล้วเรากล้เราไม่ทำหรือเพราะว่าเราทาไม่ได้แล้วเราก็ว่าเราดีแล้วที่จริงมันก็ยังไม่ใช่นะเพราะสิงจริงๆคือมีโอกาสจะทำก็ทำได้แต่ไม่ทำใจมันมันม่นคงขึ้นแ่็งขึ้นคนมีสินคือแบบนี้แหละต้องินไปนะ ถ้าเรามีสตินะมันจะมีสิ่งอย่างเราไปปาร์ตี้เนาะบางคนก็อ้าวเพื่อสังคมกินสักหน่อยนะก็ไม่เมืใส่ว่านนะเขาก็เพื่อนบางคนก็ยิ่งชอบกินสนุกไปตามเพื่อแต่คนมีสติจริ ง, รงมันจะเตือนเราเองเอมันทําให้สติเราหายทําให้เราประมาทําให้เราหลายๆอยา่างเราก็เตือนเรเองไม่ทํา แม้คนอื่นจะบอกว่าอย่านั้นอย่างนี้แต่เราไม่ทำบางคนทํางานใช่ไหมมีโอกาสจะรับใต้โต๊ะมีโออากาสจะติ๊กแก ท, บบท๊กทำแล้วบางทีสังคมก็แบบเป็นแบบนี้ได้วยนะแต่คนมีศีลจริงๆมีโอกาสก็ไม่ทำนี่คือศีลนะศีลคือความมั่นคงของใจจริงๆใจมันตั้งมั่นขึ้นนะจะโดนติ๊ก ก็เหมือนกันนะมันจะช่วยกันนะเนี่ยให้เกิดปัญญาทําให้เราเห็นความจริงว่าที่จริงจะเดินสติจะเดินวิปัสสนาจริงเพื่อให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าอะไรมันไม่เที่ยงแบบไหนมันเป็นภพแบบไหนมันไม่ใช่ตัวตนแบบไหนเนี่ยก็จะเห็นเห็นอะไรตอนแรกมันเห็นมันก็ยังไม่ค่อยเชื่อเห็นมันยังไม่ค่อยยอมรับมันต้องเห็นเรื่อยๆเดี๋ยวมันเราเห็นแหละ เดี๋ยวก็คิดนั่นคิดนี่นะใจมันคิดเนี่ยมันแสดงความไม่เที่ยงแล้วนะแต่เราไม่ยอมรับมันที่จริงทำมาใช้ก็สอดความไม่เที่ยงให้เราเห็นแล้วเล้วก็อันนี้มันไม่เที่ยงมันแบบนี้นะอืมเราอยากจะให้รู้สึกตัวมันก็ไม่ได้รู้สึกตัวตรอดเนี่ยมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนเน่ยมันแสดงความจริงเราเห็นแล้วนะร่างกายมันปวดมันเมื่อยของมันเองเนี่ย มันก็เป็นของมันเลยนะเนี่ยมันง่วงไม่จับง่วงนะมันก็ง่วงมันเองเนี่ยมาแสดงความจริงให้เห็นนะนะความบังคับไม่ได้นะนี่คือที่จริงธรรมะจริงๆนะพอมีสติตเราเป็นแค่ปุ๋ยเห็นเห็นไม่เป็นพแค่อาการเราจะเห็นว่าอาการเดี๋ยวก็เกิดเดีก็ดับบังคับไม่ได้นะถ้าเราดูจเฉยๆนะไม่เข้าไปเป็นกับมันมันก็เป็นเพียงแค่อาการที่แสดงให้เห็นเหมือนกับกอดนะ ที่มันแสดงไปงตามบทของมันไปตามเหตุตางปัจจัยแต่เราเป็นเพียงแคต่ตัวดูเนี่ยก็หน้าที่เราคือดูแต้โลม้าไปเป็นกับเขาอันนี้คือการีเรียกว่าดูละครชีวิตในจิตใจของเราเนาะมันแสดงเราก็ดูมันไม่ต้องไปห้ามมันเาวนาจนีงนะไม่ต้องไปห้ามความคิดเพียงแค่ดูมันเพียงแค่สังเกตเข้าใจมันว่า มันเกิดแล้วนะเราก็แก้ดูมันแล้วมันก็ไปของมันเองนะนั้นความคิดเนี่ยเหมือนไม่ต้องไปสนใจอยู่แค่รู้ว่ามันเกิดไปคิดแค่นั้นพอและไม่ต้องไปสนใจว่าทําไมมาถึงคิดอย่างนันอย่างนี้นะนอกจากบางอย่างที่เราก็เป็นเกี่ยวข้องกับการงานให้ตอนนั้นค่อยคิดนะคิดแบบทาความเข้าใจนะเช่นทํางานแล้วมัน ผิดพลาดเราก็ตั้งใจคิดได้นะมันคิดพลาดด้วยตรงไหนจะแก้ไขแบบไหนอันนี้คือตั้งใจคิดอันนั้นก็คิดเพื่อทความเข้าใจคิดเพื่อแก้ปัญหาจากนั้นทำได้เราป่วยด้วยโรคนี้เราก็ต้องทาความเข้าใจโรคนี้มันอาการแบบไหนรักษาแบบไหนทาความเข้าใจแล้วก็แก้ไขไปตามอาการเหมือแนบบนี้ ตรเนี้คือใช้สติแก้ปัญญาการแก้ปัญหาทางโลกเราทําได้แต่ก็อย่างว่านะักสอบตอนวันนี้นะ่ะพยายามบางงานก่อนโยมเราจะเห็นมันชัดขึ้นว่าถ้าไอความคิดมันผูดขึ้นมาเนะี่ยออยากไปเอากับมันแม้ความคิดมันจะดีขนาดไหนนะอย่ากไปเอากับมันอดมาเองก็เคยเสียเวลาบางทีเดินยงกรมนะบางระบบเนี่ย โปรเจกต์ดีๆผุดขึ้นมาเยอะมากย <fa> ิ่งเั็นหัวดใหม่ๆนะสมันต้องแบบต้องเตือะตัวเองนะประมาณร์ทตอนนั้นใหม่ก็คิดเรื่องงานเรื่องอะไรดีนะทั้าที่เราก็ยังไม่ได้คิดว่าเราจะออกไปนะอืมแต่เราก็คิดทํานั่นทํานี่น่าจะดีหลายๆอย่างเจ้หมาเองต้องเตือนตัวเองว่าออถ้าออกไปก็ไปทํา ออกไปค่อไปคิดตอนนี้ยังไม่ออกจะเพิ่งคิด <c oughs> ก็เลยค่อย ว, วางได้ประมาณว่าบางทีมันก็ยังอยู่บวชเป็นพระอยูน่นะเดินจงกรมอยู่แต่โปรเจกที่จะไปทำนั่นนี่เยอะแยะมากแล้วเราก็เป็นสนุกกับมันสนุกกับความคิดสนุกกับอารมณ์ น, นี้เราต้องเจอนเองมอ <c oughs> เดี๋ยวออกไปถ้าจะคิดค่อคิดถ้าจะทําก็ไ่อยทำตอนนี้ยังไม่ออกก็อ ย, อยู่กับการเดจะจงกรมก่อนพวกเราเองก็เหมือนกันนะสองสาวันนี้ ถ้าความคิดเกี่ยการงานนึ่งครอบครัวมันเข้ามาแทรกก็เตือนเัวเองว่าอ่ะเดี๋ยวออกไปค่อยไปคิด <c oughs> ออกไปค่ไปทำนะสองสองวันนี้นะถ้าสองคิดก็ว น, นั้แทรกเข้ามาเมไรมันก็เป็นตัวเตือนให้เรากลับมามีสตินะมันคิดเราห้ามไม่ได้แต่เมื่อมันคิดแล้วเราสามารถรู้มันได้นะที่จริงตอบสนองแค่รู้นะ ความคิดมันจะหายไปถ้ารู้เฉยจริงๆนะมันจะหายแต่ถ้ารู้แล้วมันไม่เฉยอ่ะบางทีมันจะมีความกอใจเนี่ยเมื่อเกิดความพอยใจขนะึ้นน่ะมันก็จะอยากคิดต่อหรือเกิดความไม่พอใจไหมก็อยากจะต้านต้านเหมือยข่มไว้ตั้หนึ่งแต่พอตั้งหนู่อาจจะโผล่ขึ้นมาอีกก็ได้นะงนั้นถ้ารู้เฉยๆนะแค่รู้ปุ๊บเนะี่ะความคิดมันจะหายไป มันจะกลับมารู้สึกตัวของมันเองคําว่ากลับมารู้สึกตัวเช่นกลับมามีจิตรู้สิ่งที่เราทําเนี่ยมมไม่ใช่ไม่ใช่การพยายามจะดึงไม่ใช่พยายามการที่เราจะดึงจิตกลับมาแต่จริงรู้สึกตัวจริงๆคือแค่เรารู้ว่าเราเผลอไปเนี่ยความคิดเหลือเราเนนะี่ยมันจะหายไปทุเนี่ยมันจะรู้ตัวของมันเอง iyorsun? อ่ามันจะรู้ของมันเองเลยเพราะอะไรธรรมชาติของจิตเนี่ย มันมีสติอยู่แล้วมีความเป็นปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากิเลสหรือความหลงมันจรเข้ามาเมื่อความหลงมันหายไปปุ๊บเนี่ยมันก็ยังเหลือความเป็นปกติเป็นธรรมชาติของมันคล้ายๆล้างมือเรานะสมมติเนี่ยตัวนี้มันสะอากพอไปจับอะไรนิดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันตกตกๆเกยเราไปล้างมือความตความตกตกๆมันหายไปความสะอาดมันมีอยู่แล้วของมาเอง จิตเราก็แบบนั้นจิตเรามีสภาวะปกติอยู่แล้วเพียงแค่เรารู้ทันปุ๊บพอรู้ทันปั๊บเนี่ยมันก็มันก็นกลับมาของมันเองกลับมาของมันเองแล้วจิตจริงกลับมารู้ติดตัวจริงคือคือเรารู้ตัวว่าเราตกไปปุกเนี่ยจิตมันจะกลับมาของมันเองกลับมารู้ในสะิ่งที่เราทําก็ดีถึงที่เราก็ไปรู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นใหม่ก็ดี คำวรู้สึกตัวจริงๆไม่ได้รู้แต่กายนะกายเราก็รู้นะถ้ามันเด่นถ้ามันชัดเราก็รู้หรือเวลาที่เราหลงไปคิดนะนะั่นแ่ะให้เรารู้ว่าเราหองไปคิดค น, นั่นก็คือความรู้สึกตัวนะเหมือนกันนะก็คือรู้สึกตัวคือรู้กายรู้ใจที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะนะพยัญเนะคำว่าสร้างสติสร้างตัวรู้สึกตั ว, วกว็คือนะ่นะให้เราเห็นมันเนาะอะไรเกิดขึ้นในกายมี ใ, น ใ, นใจ ให้เราเห็นแต่ไม่ใช่ไปพยายามจะกิ น, นหลายตัวพร้ อ, พอมๆกันหรือเป็นเหตุแบบปฏิสปะนะมีมีคนจีนก็กา็ปากถามปากไม่จีนก็เตือนมาปฏิบัตที่เนี่ยนะแล้วก็เขาก็ปากไม่จีนพูดภาษาจีนได้ถามมาจังมาเมืาามมา่อวานนี่ยมันก็ถามเข้ามาไหมอืมมันก็ปฏิบัติไปด้วยแล้วพยายามดูเช่น ดูเส้นเลยจังกมก็พยายามดูเท้ากระทบคื้นด้วยดูตามองด้วยดูบมกระทบด้วยดูใจคิดด้วยนะดูเวทนาด้วยว่ามันสุกมันกิดด้วยทำแบบนี้ถูกหรือเปล่าถูกไหม <c oughs> มันก็บอกว่าอยากไปทำแบบนั้นเพราะอะไร เขาก็ยอยากจะดูหลายๆอย่างเขาพร้อมกันแล้วมันเสพกระป๋าอืมที่จริงมันไม่ใช่ดูแบบนั้นเราควรจะดูอย่างเดียวเนีดูอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเท่นสมนนมตเราดูกายเป็นหนักปุก๊บแต่ถ้าอย่างอื่นมันเด่นขึ้นมาแทรกแล้วเราเคยดูแตไ่ไม่ใช่ไปคอยสาดูนี่ยไม่ใช่ปแบบไปดูอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดคล้ายๆเสกียบเหมือนกับโทรทัศน์นะมันเรามีโทรทัศน์ สี่ห้าเครื่องนะถ้าเราไปดูทุกเครื่องนะมันก็ดูไม่ดูเรื่องนะอืแต่จริงเราดูโฟลท์เหมือนที่ท่าก็ดูทักเครื่องเดียวเูยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนก็มันเปลี่ยนเครื่องเดียวเนี่ยแหละนะจิดที่มันไปดูอารมณ์อย่างอื่นก็เหมือนกันมันดูตัวเดียวเนี่ยแหละนะพิจารณาว่าอารมณ์นี้มันเด่นขึ้นมามันก็เปลี่ยนไปนะดูกายไปเรื่อยเกิดลมมันก็พตกกายเด่นขึ้นมาปุ๊เราก็เห็นไม่ใช่ตั้งใจจะไปดูนะ แต่มันก็ปุ๊ปมันเห็นดูกายอย่างดีๆเนี่แหละความคิดความคิดแทรกมาปุ๊บมันเห็นใกล้ๆเหมือนตัวรั้มันเปลี่ยนช่องนะ่ะโฆษณามาขั้นปุ๊บมันก็เห็นตรงนั้นแหละเห็นตรงตรงเดียวนั่นแหละสติจริงๆมันเห็นตรงเดียวนั่นแหละตรงที่ปัจจุบัน <c oughs> สิ่งแต่ว่าไปจริงๆนะสติไม่ใช่รู้กายด้วยใจสติมันรู้ที่ปัจจุบันแต่ปัจจุบันนั้นอะไรมันเด่นมันรู้ตรงนั้น แต่รู้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่สิดย็ดนะมันก็รู้ปุ๊มันก็มันก็วางเลยนะ่ยคว่ารู้แบบบางทีไม่ต้องไป็รู้ก็ได้ว่ามันรู้อะไรแค่รู้สึกตัวนะก็อพอละไม่ต้องเป็นสนใจว่าบางทีเราก็เป็นสมมติปัญญาณนะอันนี้แขนอนนี้ขาอันนี้ตัว อ, อันนี้อะไรต่างอัน น, นี้อารมณ์เป็นนั่นเะป็นนี่นะไม่ต้องเปรู้ก็ได้นะบางทีแค่รู้สึกเฉยจก็พอ รู้สึกถึงการมีอยู่ของร่างกายนะหรือรู้สึกถึงภาวะใจที่มันมันมีอะไรกระเพื่อมขึ้นนะบางทีมันมันรู้สึกแค่นนกระเพื่อมเหมือนเหมือนเหมือนคลื่นลมอะเมือนน้ำเนาะมันกระเพื่อมนิดนิดนะเราแค่รู้สึกถึงการกระเพื่อมหรือรู้สึกถึงแค่ดมกระพบเนะี่ยบางทีไม่ต้องไปสนใจว่าลมมาจากไหนนะมันรู้สึกได้แค่รู้สึกได้เนะี่ยพอละอะ ด้วยความสุ่วนะมันง่ายๆมันตรงๆมันซื่อๆเลยเราไม่ต้องพยายามคิดมากนะใช้ความคิดให่น้อยๆพาบนายจริงเไม่ต้องใช้ความคิดนะคานายนจริงแค่สัมผัสรู้ลงไปเฉยๆแล้วก็เอาการสัมผัสตรงนีน้ทำให้มันมากที่สุดนะเท่าที่ทำได้แต่ทำเนี่ยไม่ต้องไปอยากได้อะไรนะทำด้วยความกอใจที่จะทา ถ้าเรามีความพอใจที่จะทํามีความฝึที่จะทํำนะเหมือนเราเมืนเราชอบอะไรเราก็ทํามันได้นนานทาได้เรื่อยๆนะอันนี้แหละคือมันจะเกิดผลของมันเองถ้าเราชอบมันจะใช้ชีวิตปรสบการณ์ควางนานจริงๆนะมันจะไม่สนใจยากหอง่ายอ่มันไม่ใช่ว่าโอ๊กี่ทํางานมันยากอออยู่วัดมันง่ายมันก็ไม่เลื่องอะไรนะ มันก็คือชีวิตจริงเราเป็นแบบไหนก็เอาแบบนั้นแหละถือว่าเป็นการเรียนรู้เดี่ยวถื อ, งงป เ, อเป็นการเรียนรู้ไปทํางานไปเจอคนก็เป็นการเรียนรู้เรียนรู้ในการวางใจเรียนรู้ในการมีสติไม่ใช่ว่าจะต้องเอาดีร้อยเป็นไม่ต้องว่าจะต้องไม่ทุกข์เลยไม่พลาดเลยไม่ใช่แต่เราเรียนรู้วันนี้เรียนรู้ได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้ไม่ใช่ว่าวันนี้แย่อโกรธไปแล้วห้าครั้งเลย วันนี้แย่นะขาดสติไปนานเหลือเกิ <Okay. S 1> เราไปเรีย น, นรู้ก็วันนี้ตั้งใจจะรู้ตัวให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้วันนี้พยายามที่จะออกจากความทุกข์ให้มากทีก่สุดเท่าที่ออกได้ก็แค่นั้นจบวันนี้ก็จบไปวันนี้ก็ว่าทําไมนี่นไปสนุกสนุกกับการใช้ชีวิตอื <c oughs> ไปสนุกสนุกกับบทเรียนที่ทชีวิตแจะให้กับเราเนะถ้าเราสนุกสนุกนะจะอยู่ที่ไหนก็ได้จะทําอะไรก็ได้ แต่แน่นอนนะถ้ามีติตมันจะไม่ทํามันจะไม่ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะแม้คนอื่นอาจจะเดือดร้อนบ้างอันนั้นก็ไม่ใช่เจตนาบางทีเขาเดือดร้อนเพราะเขาอาจจะแค่ไม่ชอบนะแต่ไม่ใช่ว่าเราตีตั้งใจเขาใหเขาเดือดร้อนแล้วก็ที่แน่ๆไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนอ ม, มันจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงอันนี้คือเราภาวนานะักกอด ให้พวเราได้ตั้งใจนะเอาสิ่งต่างๆที่เราได้รู้ที่เราได้ฟังที่เราประสบเนี่ยแหละนะน้องเข้ามาใส่ตัวน้องก็ามาเตือนตัวน้อง ม, มองให้เห็นเป็นธรรมะนะอย่าไปมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากจะได้หรือเราไม่อยากจะได้เพราะธรรมชาติจริงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากของเราเนี่ยเช่นะ ค, ความแก่ไม่ใช่ว่าเรา อยากจะให้มันไม่แก่มันก็จะไม่แก่อย่างที่เราคิดมันก็แก่ไปตามวันของมันตามเวลาของมันเราอยากจะไม่ตายก็ใช่ว่ามันจะไม่ตายมันก็ต้องตายสักวันในวันใช่ไหมนี่คือธรรมชาติมันไม่ได้อยู่ที่ความชอบของใครหรือความไม่ชอบของใครถ้ามันขึ้นอยู่กับความชอบหรือความไม่ชอบนะโลกที่จะพุ่นมากมันนั่งอยู่นี่สี่สิบห้าสิบคน ฉันอยากจะให้ลมพัดแรงฉันร้อนไอ้คนหนึ่งที่หนาวฉันไม่อยากให้ลมมันพัดฉันหนาวนะมันถ้าธรรมชาตินี่เขาตามความเรียกร้องของคนเนี่ยมันสับสนมากนะบางคนเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะวันนี้จะนซักผ้าฉันอยากให้แดดออกวันนี้จะนไปปลูกต้นไม้ฉันอยากให้ฝนตกเลยเนี่ยโอ้มันไม่เกี่ยวนะฝนจะตกแดดจะออกในเรื่องของมันไม่ใช้อยู่ที่ความอยากของเราไะ แต่ความอยากขอเราเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะดูดีๆนะที่จริงความคิดนะก็ไม่ได้ทุกข์ไอ้ไม่อยากคิดเนะ่ะมันทุกข์นะที่จริงนะอืมความฟุ้งซ่านความว่ว ง, งก็ไม่ใช่ตัวทุกข์ไอ้ความไม่อยากความไม่ชอบเนะี่ยคือเหตุให้เกิดทุกข์นะดูดีๆนะดูดีๆปากไว้ค่กัน